บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปดังได้กล่าวมแล้วว่านัย่าแห่งธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นไม่ว่าจะข้อเดียวหรือหลายข้อก็ตามเป็นการจาแนกออกไปโดย น, ยนัย่นั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพื้นฐานของผู้ฟังในขณะนั้นแต่เมื่อกล่าวโดยจุดหมายแล้วเป็นการแสดงเพื่อประโยชน์คือกูณและความสุขแก่ผู้ศึกษาและประพฏิบัติตามโดยก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงด้านจิตใจของผู้ปฏิบัติที่นั้นใช้คำว่า mm hmm. เกิดความเบื่อหน่าย mm hmm. เกิดความคลายกำหนัด จนจิตใจหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสและความทุกข์เพราะมีความบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตแต่เนื่องจากจิตใจของบุคคลมีพื้นฐานแตกต่างกันธรรมะที่ทรงแสดงไว้นั้นบางอย่างจึงมีเรื่องของการค่อยๆขัดเกลา่ไปโดยลำดับ เป็นการปรับพื้นฐานทางจิตให้มีความเหมาะความควรในชั้นนั้นๆแต่ในช่วงที่กำลังขัดเก่าหยุดนั้นก็ให้บุคคลสามารถได้รับประโยชน์จากธรรมะในระดับของตนเองบางครั้งจึงทรงกระจายในแต่ละจุดออกไปเทนทรงแสดงทานออกไปโดยวิจิตพิสดารเรียงเป็นชั้นๆเป็นความประนีตทางจิต ทางวัตถุที่ให้และบุคคลที่รับเพื่อบุคคลได้รับประโยชน์จากการให้ทานนั้นมากยิ่งขึ้ น, นและในขณะเดียวกันจิตใจของผู้ให้ทานก็จะมีความบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเขาก็รับความสุขความสงบจากการจางไปคลายไปของกิเลสในระดับของเขาเองแม้ในชั้นศีลก็มีลักษณะอย่างนั้น คนจะกล่าวถึงจุดใดก็ตามไม่ควรไปติดใจในรายละเอียดว่าจะต้องเป็นสูตรนั้นสูตรนี้หรือว่าองธรรมคนนั้นคนนี้แต่ธรรมะทั้งหมดนั้นจะอำนวยผลในลักษณะอย่างเดียวกันแล้วก็เสร็จไปในตัวในแต่ละข้อตามที่ทรงแสดงไว้ เพราะว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะในยุคสมัยที่ยังทรงประชดอยู่บางทีธรรมะเพียงข้อเดียวผู้ฟังในขนาดนั้นมีพื้นฐานดีพอท่านเริ่มต้นในจุดนั้นแบบเป็นเพียนไปกับบรรลุผลไปได้บางครั้งอาจจะมีสองข้อสามข้อเป็นต้นแต่ผลก็จะออกมาในระดับเดียวกันยัทรงแสดงไวใน ปริยายนึงที่ว่ามารย่อมไม่เพราะผลทางของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยศีลมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทวยจิตใจหลุกค้นด้วยความรู้ในทางที่ชอบคนนี้ที่จริงแล้วเป็นการแสดงคุณสมบัติของพระอารหาหันซึ่งได้สัมผัสผลสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาแล้ว แเรามองจากองค์ธรรมท่านสาธุชนจะเห็นว่ามีธรรมะที่เป็นส่วนเหตุอยู่เพียงสข้อคือศีลกับความไม่ประมาทมีธรรมะที่เป็นส่วนผลอยู่สงข้อคือมานทําอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตใจของท่านหลุดพ้นด้วยความรู้ในทางที่ชอบแล้วเลยเป็นการแสดงเห็นได้ว่า ธรรมะบางอย่างไม่จำเป็นจะต้องพูดถึงแต่ว่าเมื่อปฏิบัติให้สมบูรณ์ในระดับของสีแล้วธรรมะในระดับอื่นก็จะเกิดขึ้นมาเองตำนองคล้ายๆที่รับสั่งว่าเหมือนบุคคลปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งระบนแผ่นดินแล้วเขายกมรับผลของพืชชนิดนั้นคนทำความดีก็รับผลดีคนทำความชั่วก็รับผลชั่ว เราจะเห็นว่าในภาคปฏิบัติจริงๆแล้วในช่วงของการปลูกต้นไม้กับช่วงที่รับผลไม้นั้นที่จริงมันห่างกันจากต้นไม้กว่าจะเป็นผลไม้ได้ต้องใช้การเวลาอยู่นานในขณะเดียวกันจากช่วงที่เป็นต้นไม้จนถึงต้นไม้นั้นก็มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นติดตามมาเป็นอันมากมีใบมีกิ่งมีดอกมีผล ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาโดยลำดับการเกิดขึ้นของธรรมะจากผลของการประพฤติปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นประเด็นสำคัญจึงต้องมีที่จุดเริ่มต้นคือจับหลักองค์ธรรมเหล่านั้นให้ได้เป็นฐานไว้ในตอนต้นเมื่อมีธรรมะเป็นฐานก็ใด้อหนึ่งแล้วก็จะดึงดูดธรรมะเราอื่นเข้ามาโดยอัตโนมัติเอง ยานในกรณีนี้ส่งเน้นไปที่ความสมบูรณ์ด้วยศีลการไปบัติในระดับศีลนั้นจุดเน้นที่จริงเป็นศีลแต่ก็มีอุปกรณสนับสนุนอยู่เบื้องหลังก็คือสมาธิกับปัญญาหมายความว่าในการปฏิบัติศีลนั้นก็ต้องมีสมาธิอยู่แล้วก็มีปัญญาอยู่มีปัญญาสำหับตรวจสอบศีลของตน ตั้งเบื้องต้นเบื้องกลางและเบื้องปลายให้มองเห็นความไปสุดหมดจดของศีลที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นๆพราลักษณะของศีลที่เรียกว่าพระเจ้าชอบใจหรือพระเจ้ายกย่องสรรเสริญนั้นจะต้องมีลักษณะน้มน้อมจิตใจของบุคคลผู้รักษาศีลให้เข้าสู่สมาธิ แต่ว่ารักษาจีนแล้วมีความฟุ้งซ่านมีความสัดสายไปของจิตใจมีความมีตัวกังวลหวาดแวงหรือว่าเดือดร้อนใจอย่างใดอย่างหนึง่งจะเป็นการแสดงว่าสีนั้นไม่หมดจดุดสีนั้นไม่บริสุทธิ์จริงๆในการรักษาสีที่จริงก็ปรับจิตของบุคคลให้เกล้าเข้าใกล้สมาธิขึ้นไปโดยดังกล่ สงบทางกายสงบว่าจาแล้วก็สงบใจในระดับของศีลเนของธรรมชจะตัวอย่างเมื่อเบื่อบุคคลสมาทานศีลต้องการที่จะศีลของตนสมบูรณ์จริงๆตัวอย่างเช่นรักษาศีลข้อที่สองจะมีการงดเว้นจากการถือิ่งของที่เจ้าของเ็ไปแลให้ด้วยตัวของตัวเอง จะงดเว้นจากการใช้บุคคลอื่นใถือเอามาถึงจุดหนึ่งปัญญาก็แก่กระาขึ้นจิตใจมีความสงบขึ้นก็ได้ความคิดว่าแม้เราจะไม่ลักเองหรือใช้บุคคลอื่นลักแต่ถ้ากริยาการด้วยคำพูดของเรามีลักษณะส่งเสริมสนับสนุนให้คนอื่นเกิดความขึกเขิมที่จะลักจะขโมยทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่น ก็เชื่อว่าเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการกระทําไม่ถูกต้องของคนเราเน้นแต่จิตใจของเราเองก็สมายความมยังยินดีอยู่ในบาปยินดีในกุศลหลนั้นก็สำรวมระวังเอาไว้ไม่ยกจ่องสรรเสริญคนที่ลักขโมยหรือว่าพอใจสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมถึงการปรับจิตในลักษณะนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญ ปัญญาจะต้องมีกำลังมากและจะต้องมองเห็นบาปปุลคุณโทษชัดเจนอยู่ภายในจิตทั้งที่ตนสัมผัสในขณะนั้นและโอกาสที่จะสัมผัสในการต่อไปเพราะอะไรเพราะว่าการยกย่องสรรเสริญคนที่กระทำบาปนั้นแสดงถึงความขุ่นมัวภายในใจ มีโมหะปิดบังปัญญาปิดบังเหตุผลเอาไว้คือมีโลภะต้องการผลประโยชน์ต้องการพวกพ้องในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นความเศร้หมองต่างใจแต่นั้นแต่ถ้าเกิดพอใจยินดีชอบใจในสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำประทานให้เห็นว่า ใจิตใจของบุคคล น, นั้นอยู่ในลักษณะที่เราพูดกันว่าเกลียดตัวกินไข่เกลียดปลาไหลกินน้ำแกงแสดงว่าใจิตใจยังมีความพอใจยังมีความบิดดีในาบาปในกุศลนั้นจุ่ความคุณมัวเส้ามองเรื่องหน้าของความโลภความหลงก็จะเห็นได้ชัดภายในใจทีนี้ถ้าหากว่าสามารถบันเทาความรู้สึกในลักษณะนั้นลงไปได้ อาการของนิวรนข้อกรรมฉันกับข้อปัญบาทก็จะสงบลงไปเพราะอะไรพระที่จริงแล้วเป็นอาการอย่างเดียวกันเป็นกิเลสประเภทเดียวกันเพียงแต่ว่าในช่วงแรกท่านเรียกเปลี่นเป็นมโนทุจริตในช่วงที่สองท่านเรียกว่าเป็นนิวรดานั่นเองลักษณะความใคร่ความปรารถนาความพอใจความยินดีในสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบธรรมนั้น เป็นอาการของกามฉชันหรือความกำหนัดรักใคร่ยินดีในวัตถุกามทั้งหลายธรรมะก็จะมีเหตุเป็นปัจจัยส่งเสริมสนับสนุนกันอย่างนี้ทีนี้ถ้าเดินไปได้อีกจังหวัดหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นสมาชิวะจะมีปัญญาเข้าควบคุมอยู่ตลอดเพราะการปฏิบัติธรรมะในทางศาสนานั้น คือสังเกตว่าในอาริมักในองค์แประการทรงเริ่มต้นที่สมาธิพิพันทุกจุดของการปฏิบัติจะต้องมีสมาธิพิเข้ากํากับยด้วยจะถามว่าสมาธิพิคืออะไรสมาธิพิก็คือปัญญาเพราะในการเลี้ยงชีพของบุคคลเหล่านั้นก็จะเป็นสมาชีวะด้วยแล้วก็เป็นสมาธิพิด้วยเป็นสมาสังกปะคือความดําริชอบด้วย เพราะความนริศชอบกับความเห็นชอบนั้นเป็นอาการที่ต่อเนื่องถึงกันเราเห็นอย่างไรเราก็คิดอย่างนั้นเราคิดอย่างไรแสดงเราเห็นอย่างนั้นเป็นพวกกลุ่มของปัญญาสิขาด้วยกันนั่นจะคุมทิศทางของการแสวงหาการเป็นพวกใช้สอยการถือครองสิ่งเหล่านั้น จะต้องมองไปที่ความบริสุทธิ์หมดจดจริงๆแม้สิ่งนั้นจะมีค่ามากก็ตามแต่ถ้าหากว่าเป็นการได้มาในทางที่ไม่ชอบทำเนั่องจากิจใจของท่านระดับนี้ท่านมีความสะอาดสงบมากแล้วท่านจะเกิดความรังเกียจขยะขยงแม้แต่เป็นความขุ่นมัวเส่้หมองเพียงเล็กน้อยใกล้ๆกับบุคคลที่รู้โทษของเชื้อโรค การเกลียดเชื้อโรคที่ติดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งแม้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในโอกาสต่อไป ก, ก็พร้อมที่จะขยายตัวเองออกไปปฏิบัาการปฏิบัติในลักษณะนี้จะทำให้กามฉันสงบชัดเจนมากยิ่งขึ้นเมื่อกามฉันสงบจิตใจจะเป็นอย่างไงจิตใจก็จะเป็นตั้งมั่นเป็นสมาธิเพราะว่ากามฉันนั้นจะสงบได้โดยสมาธิ ในที่นี้เลยกลายเป็นศีลสมาธิปัญญาไปอาการที่ปรากฏเด่นชัดเป็นอาการของศีลอาการช่วงต่อมาก็เป็นอาการของสมาธิแต่ปัญญาจะมีการสอดสองทั้งช่วงของการเป็นศีลในช่วงของการเป็นสมาธิคือจะพิจารณาอยู่ทั้งสองจุดทำให้ความสงบเยือเกเย็นปรากฏขึ้นภายในใจใจมันก็เดินเข้าสู่ทางของสมาธิไปแล้ว ถ้าว่าท่านเหล่านั้นจะไปประพฤติปฏิบัติระดับของสมถะกรรมฐานทำความสงบไปเกิดขึ้นกับจิตใจมันก็ทำได้ง่ายเพราใจนั้นได้ปรับฐานมาแล้วโดยลําดับถึงกว่านี้ผมสังเกตว่าคล้ายๆกับเด็กที่เรียนหนังสือในชั้นเรียนเธอเรียนขึ้นมาโดยลําดับเมื่อเลื่อนขึ้นไปชั้นที่สูงขึ้นมันก็ไม่ยากสมบูรณอ แต่ถ้าหากว่าเรียนชั้นต่ำแล้วนิ่งๆกระโจนขึ้นไปที่ชั้นสูงเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านขั้นตอนมาโดยลำดับจะเกิดความรู้ความเข้าใจในในชั้นสูงตลอดไปก็จะเกิดขึ้นไม่ได้จิ่ใจที่ประพฤติปฏิบัติธรรม ก, ก็จะมีลักษณะอย่างนั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงว่าในธรรมในนี้มีการศึกษาโดยลำดับมีการปฏิบัติโดยลำดับมีการบรรลุผลโดยลำดับตำนองกล้ๆกับการขึ้นบันไดพลศีลที่เราเรียกว่าสิขาบทที่จริงถ้าแปลเป็นไทยก็คือขั้นของการศึกษาเปรียบเหมือนกับบันไดที่จะนำคนก้าวเดินขึ้นไป จะสูงขึ้นไปโดยลำดับแต่ว่าจะสูงขึ้นไปโดยลำพังไม่ได้บุคคลจะต้องก้าวจะต้องมีความตั้งใจในการก้าวไปนั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะมีความพยายามก้าวไปต่ยิ่งขึ้นสูงไปเท่าไหร่ความเหนื่อยยากลำบากก็จะมากขึ้นความเหนื่อยก็จะเพิ่มขึ้นแต่เมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วก็จะมีความสบาย ส่วตามการปฏิบัติธรรมะ ก, ก็มีลักษณะอย่างนั้นเพราจิตใจของบุคคลที่ทำให้สมบูรณ์ในสีในแต่ละจุดนั้นที่จริงแล้วพอถึงจุดระดับที่สี่อย่างกล่าวมันเข้าไปอยู่ในระดับของสมาธิปไปแล้วจิตใจมีความมั่นคงไม่วอกแวกไม่ซัดสายไปตามอำนาจของอารมณ์ที่ตนละได้ อย่างน้อยก็ส ง, งบจากอารมณ์นั้นได้ในขณะนั้น น, น, นั่นในข้อที่สองก็ส่งเน้นที่ไม่ประมาทถึงว่าก็ตามหลักความเป็นจริงแล้วเรื่องของความไม่ประมาทนั้นเป็นบทสรุปพระเจ้าทรงแสดงว่าธรรมะที่ทรงแสดงไว้นั้นในส่วนที่เป็นสังคตธรรม เกิมาที่จะต้องมีปัจจัยประกอบมีองค์ประกอบต่างๆอยู่เป็นนันมากนั้นสมาธิฏิเป็นยอดแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นบรรดากุศลธรรมทั้งหลายนั้นจะสรุปรวมลงที่ที่สมาธิฏฐิหรือที่อัปปมาตอัปปมาทิคือความไม่ประมาทนนั้นเป็นที่รวมของกุศลธรรมทั้ง เพาะถ้าหากว่าปฏิบัติโดยความไม่ประมาทจริงๆเวลาทรงแสดงก็ทรงแสดงในรูปของศีลสมาธิปัญญาเช่นเดียวกันถึงจะเห็นได้ว่าตามปกติแล้วคนเราจะประมาทในวัยในชีวิตในความไม่มีโรคอาการเหล่านั้นเป็นอาการขาดสติเป็นเครื่องระลึกรู้ถึงความจริงขาดสัมมัชญะความรู้ ในเหตุในผลของชีวิตในกระบวนการของชีวิตเพราะจิงทั้งวัยทั้งชีวิตและทั้งความไม่มีโรคนั้นเป็นเรื่องที่เราประมาทอะไรไม่ได้เลยเราไม่สามารถรู้ได้ว่าชีวิตที่เกิดขึ้นนั้นจะดับลงเมื่อไรความเปลี่ยนแปลงในชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด เรี่ยแรงของเราสามารถปฏิบัติภารกิจการงานโอกาสต่อไปได้หรือไม่พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเรายังไม่รู้ด้วยซ้าไปข้อนี้สำหรับคนที่มองชีวิตในแง่ของความเป็นจริงที่ชัดเจนทองแท้แล้วท่านไม่ได้มองเฉพาะที่ปรากฏในปัจจุบันแต่อาศัยบทเรียนจากอดีตกับปัจจุบันเป็นเครื่องสอดส่องดูอนาคต เป็นว่ากำหนดนิมิตหมายอะไรไม่ได้ไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นอย่างความคิดที่เกิดขึ้นแก่ท่านธรรมปาละหรือท่านอายุบาทก่อนที่ท่านจะออกบวช น, น, น้องชายได้ขอร้องห้ามปราบเอาไว้ว่าพี่ก็ยังอยู่ในวัยหนุ่มทรัพย์สมบัติก็มีอยู่มากไม่ได้มีปัญหาในการครอบครองเรือ น่าจะหาความสุขในคารวาสสวีสัยจนแก่เท่าไปก่อนค่อยออกบ้ในตอนหลังแสดงเห็นว่าท่านผู้นี้มองชีวิตในลักษณะที่เล็งผลเลิศมากเกินไปโดยละเลยความเป็นจริงํำนองใกล้ๆกับชีวิตเราจะอยู่ได้จนถึงแก่เท่าชราไปทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วมันก็ไม่เป็นเช่นนั้น ชีวิตเราจะแตกดับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยท่านธรรมปาระนั้นหรือท่านอายุบาลนั้นท่านมองว่าสมมติว่าชีวิตจะอยู่ได้ถึงช่วงนั้นจริงๆแต่ว่าอาวัยวะมือเท้าของเราเองเราจะบังคับควบคุมอะไรไม่ค่ได้จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้บริสุทธิ์หมดจดได้อย่างไรฉะนั้นลองสังเกตว่าชีวิต ก็คือชีวิตแต่คนมองจากพื้นฐานที่แตกต่างกันน้องชายมองด้วยความประมาทและคาดหมายตั้งความหวังเอาไว้ในลักษณะที่เป็นไปได้ยากแต่พี่ชายนั้นมองด้วยความไม่ประมาทตามธรรมชาติธรรมดาของชีวิตซึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปนั้นเอานิมิตเครื่องหมายอะไรไม่ได้ ถ้าไม่ได้คิดว่าจะอยู่ได้ถึงขนาดนั้นแล้วถ้าหากว่าอยู่ได้จริงๆแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเสียแทงทำไมสุขภาพพรานาไมยไม่มีความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะให้บริสุทธิ์หมดจดได้แล้ใน ท, ที่สุดท่านก็ตัดสินใจออกบวชในพระพุทธศาสนา ปรมเป็นเพียงในลักษณะตื่นตัวเอาจริงเอาจังมากใช้รียาวเพียงสามอย่างคือเยื่อเดินนั่งมพยอมนอนตลอดสามเดือนจนในที่สุดตาบอดไปเลยแต่นในขณะเดียวกันท้ากบนุมกผลเป็นประหรัรพร้อมๆกับตาบอดเป็นการแส ด, แดงถึงผลแห่งกุศลนรกรรมและอกุศลนกกรรมที่ทำหน้าที่ของตัวเองไป กุศลกรรมทั้งอดีตและปัจจุบันก็ส่งเสริมสนับสนุนกันให้ท่านปนัณุมกผลเป็นประหารแต่ผลกอน ก, กุศล ก, รรกุศลการก็ทําหน้าที่อของเขาบรรดาให้ท่านตาบอดไปเหตุนั้นก็มีทั้งอดีตและปัจจุบันจึงเป็นการแสดงอะไรความจริงในชีวิตให้เห็นได้หลายอย่างด้วยกัน ด้วยความระมาดในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บก็มีลักษณะอย่างนั้นถ้าคนขาดสติเป็นเครื่องระลึกเพราะจริงๆในขณะที่เราไม่ป่วยก็มีคนป่วยเราเห็นคนป่วยนั้นอายุอาจจะน้อยกว่าเราอาจจะเสมอเราอาจจะแก่กว่าเราซึ่งแสดงเห็นว่าความป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เกิดขึ้นแก่ใครก็ได้มันมีเหตุปัจจัยให้เกิดเขาก็เกิด เราเองก็พร้อมที่จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาปัญหาสำคัญของคนที่คิดด้วยความไม่ประมาทนันอาศัยสติเป็นธรรมะที่ปลุกตัวเองให้ตื่นที่เราเรียกว่ารรศสติเป็นธรรมะเครื่องตื่นในโลกนี้หมายความว่าจิตใจของบุคคลใดก็าตามที่มีสติเป็นตัวระลึกรู้อยู่ ไม่เห็นปัญหาในจุดหนึ่งแต่ก็ต้องมองรอบด้านที่ท่านใช้กำวมารอบคอบหมายความว่าไม่ได้มองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งมุมใดมุมหนึ่งแน่นอนเราขณะนั้นยังไม่เจ็บแต่คนอื่นละ่ะก็จะมองเห็นความเจ็บที่เกิดขึ้นแก่บุคคลทั้งหลาย ตัดรอนเวลาตัรอนโอกาสตัรอนชีวิตตัรอนความเปลี่ยนแปลงที่จะให้ได้รับผลเป็นความสุขความสงบเป็นการพัฒนาคุณภาพจิตใ จ, จให้มีความเยือเกเจ็นให้มีความเปน็นเนตรมา ก, กิ่งขึ้นไปเพราะถ้าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่เรามันก็อยู่ในสภาพเดียวกันเราก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกัน แต่เวลานี้ขณะนี้ยังไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยจะมีเรียบแรงพอที่จะบำเพ็ญเพียรได้มันก็โชคสวยโอกาสที่อวัยวะร่างกายยังเอื้อเพื่อต่อการประพฤติปฏิบัติทีรเร่งลงมือประพฤติปฏิบัติคำสอนในแนวนี้พระพุทธเจ้าจะสอนไว้ทุกระดับคือไม่ใช่่าสอนเฉพาะระดับของสมาธิ ไม่ได้ในระดับของการให้ทานซึ่งตามปกติแล้วท่านสาธุชนจะมีประสบการณ์ด้วยตัวเองทุกๆคนว่ากุศลและเจตนาเวลามีการปลุกเร้ามีการเชิญชวนชวนักชวนมีการชีน้นำนั้นมังเกิดขึ้นได้แต่ที่ไม่ควรลืมก็คือภายในใจเราก็มีกิเลสมีความโหนีมีความหวงมีความเสียดาย ในทรัพย์สินเงินทองของตนโดยธรรมชาติธรรมดาของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งมีชีวิตในกาลมห า, าจรภูมมจะมีการกำหนัดยึดติดในวัตถุสิ่งของต่างๆเพราะกุศลและเจตนาที่เกิดขึ้นต้องการจะบริจาคควบังเกิดขึ้นนั้นถ้าไม่มีกำลังมากพอแล้วโอกาสที่จะบริจาคได้ ตามที่เกิดความคิดในขณะนั้นจะมีได้น้อยมากเพราะอะไรเพราะมัจเฉรจิตคือจิตที่ประกอบด้วยความสนิทจะเกิดขึ้นติดกั้นความคิดล่านั้นการปรากฏของกิเลสในลักษณะนี้จะปรากฏในรูปของความเป็นมิตรอธิบายเหตุผลที่แจงในลักษณะสนองตอบความต้องการของตนคือการรักตนถนอมตนความเห็นแก่ตัวของบุคคล ลักษณะของกิเลสก็จะเกิดในลักษณะเป็นมิตรดังกล่าวเพราะนั้นจิตใจของบุคคลถ้าขาดความมั่นคงแล้วก็จะอ่อนไหวไปตามแรงกระซิบใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆในสุดอาจจะทำได้เพียงรอก่อนค่อยก่อนพักไว้ก่อนอยทำโอกาสต่อไปทีนี้ถ้าหากว่าคนที่มีสติตื่นตัวอยู่ เราจะมองเห็นว่าโอกาสต่อไปนั้นจะมีหรือเราก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือไม่มีจะมีโอกาสให้เราทำความดีเหล่านั้นได้หรือไม่เราจะตายเสียหลังจากนี้ไปไม่กี่นาทีก็ได้พันปปอุสลและเจตนาบังเกิดขึ้นรู้เจ้าจึงสอนว่าให้รีบเร่งกระทาโดยด่วนรีบทำในทันทีทันใดคือทำให้ได้ในขณะนั้น พระตาก็ทำไม่ได้ในขณะนั้นแล้วทุกอย่างอาจจะสายเกินไปก็ได้คอบคิดในแนวตื่นตัวเช่นนี้ยังมีอุบาสกท่านหนึ่งที่ท่านราตนานิบนพระพุทธเจ้าเอาไว้โดยผ่านพระโมคคัลลานะแต่บัด น, นี้พระพุทธเจ้ากับประสงค์ต้องการจะเสด็จไปโปรดนางจุลสุปธาที่เมืองไกลก็ขอผ่าท่านไว้ก่อน ท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าสามารถประกันชีวิตและประกันศรัทธาของท่านได้หรือไม่คือรับประกันว่าท่านยังไม่ตายได้หรือไม่พระเจ้าจะเสด็จมาเสวยในวันพรุ่งนี้ในวันพรุ่งนี้ชีวิตท่านยังอยู่หรือไม่แล้ในขณะเดียวกันศรัทธานั้นท่านจะรักษาไว้ได้หรือไม่พระเจ้ารับสั่งว่าพระองค์รับประกันว่าชีวิตของท่านพรุ่งนี้ยังอยู่ แต่ว่าศรัทธานั้นเป็นเรื่องที่ท่านต้องรับประกันตัวท่านเองพระเจ้าไปรับประกันให้ให้ไม่ได้แต่สําหรับชีวิตนั้นก็รับประกันให้ได้แต่จะเห็นว่ารับประกันในช่วงสั้นๆไม่ใช่รับประกันจะอยู่ยั่งยืนไปถึงร้อยปีหรือว่าเจ็ดแปดสิปี90้าสิบปีตรงนั้นเพราะชีวิตนั้นเอาแน่นอนไม่ได้นัครับ ลักษณะของบันดิตทั้งหลายที่ยกตัวอย่างมานั้นเพื่สังเกตว่าจะมีตัวสติเป็นธรรมะเครื่องปลุกให้ตื่นตัวมองชีวิตเป็นขณะที่ต่อกันไปไม่ใช่ไปผัดวันประกันพรุ่งไปปีหน้าไ่ อ, อีกสองสามปีข้างหน้าอะไรอะไรอย่างนี้แน่นอนบางคนชีวิตก็อยู่ถึงวันนั้นแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยที่อยู่ไปไม่ถึงวันนั้น เพรสิ่งที่จะต้องการจะทําอีกหลายๆปีเลยก็ไม่ได้ทําชีวิตเธอก็แตกดับไปโอกาสที่จะเสริมสร้างคุณภาพของชีวิตจิตใจก็ถูกทําลายตามไปด้วยในองค์ความไม่ประมาทเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือแนวการอยู่อย่างไม่ขาดอย่างไม่ปราศจากสติคือมีสติกํากับในการดํารงชีวิตความประมาทที่เน้นจริงๆแล้วมันก็เป็นอาการสมาธิไปแล้ว แล้วก็มีทั้งสมาธิทั้งปัญญาผลสังเกตว่าจะไม่ประมาทในการละกายทุจริตประพฤติกายสุจริตไม่ไม่ประมาทในการละวจีทุจริตประพฤติวจีสุจริตไม่การไม่ประมาทในการละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตสองข้อแรกเป็นเรื่องของศีลละกายทุจริตละวจีทุจริตก็เป็นเรื่องของศีลประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตก็เป็นเรื่องของธรรมะ ละมโนทุจริตประพฤติมโนสุจริตก็เป็นเรื่องของสมาธิละความเห็นผิดทางความเห็นให้ถูกก็เป็นเรื่องของปัญญาเ็าตกลงว่าส่งสอนไว้สี่บรรทัดมันก็กลายเป็นใจสิขาเรียบร้อยไปในภาคปฏิบัติทานนี้เป็นเพราะอะไรเพราะสัมมาทิฏฐินั้นเมื่อปฏิบัติให้สมบูรณ์ก็คือรู้อริยสัจทั้งสี่ประการ และเป็นการรู้ด้วยอยางซึ่งทำให้บุคคลผู้รู้อริยสัจทั้งสี่ประการบรรลุมรรคผลในชั้นต่างๆจนถึงสูงสุดได้แก่เป็นพระหัต์ธรรมะปฏิบัติโดยนัยะต่างๆที่ยกมาให้ดูนั้นมีเป้าหมายอย่างเดียวกันคือเพื่อความจางไปคลายไปบรรเทาไปแห่งกิเลสทั้งหลาย พี่ทรงใช้คาว่าเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้ดีเพื่อความดับด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นธรรมะปฏิบัติจึงมุ่งไปที่จับหลักให้ได้แล้วก็ใช้หลักคือจุดเริ่มต้นเหล่านั้นพัฒนาคุณธรรมเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นจะดึงกุศลนธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นกุศลนธรรมที่เกิดขึ้นแล้วจะเพิ่มพูดมากยิ่งขึ้นในขณะ ที่อกุศลธรรมซึงตรงกันข้ามกับกุศลดอานั้นก็เสื่อมไปตามปริมาณของกุศลที่เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสนบสืบต่อไป